มันปราดเปรียวว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะนี่หัดรู้จักไปเรื่อยส่วนใหญ่เวลาหัดทำสมาธินึกออกไหมสมัยก่อนที่พวกเราหัดปฏิบัติทันทีที่ลงมือปฏิบัติจิตแน่นเลยรู้สึกไหมพอลงมือปฏิบัติเ <c oughs> นะี่ยเอาเลยนะอากูสนชัดๆเลยนะคิดว่าจะเจริญวิปัสสนาเหรอจิตเป็นอากูศลชัดๆเลยนะ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 อยากรู้ให้ชัดอยากรู้ตลอดเวลาโลภ้าเกิดไหมเป็นนั่งจ้องไหมจ้องแล้วมันไม่ค่อยยอมอย่างที่เป็นอย่างที่อยากนะโทรศัตท์เ็เกิดเยทันทีที่จ้องรู้สึกไหมทันทีที่จ้องลงไปแน่นขึ้นมานละรู้สึกไหมจิตที่แน่นๆเป็นอกุศลจิต น, นะเพราะนั้นทันทีที่ลงมือปฏิบัตินะกาหนดปุ๊บแน่นปับ๊บเนี่ยนั่นแหละอกุศลเกิดละภานาผิดละ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 เห็นเจตสิกทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดนะูเห็นจิตเกิดดับทางทาวารทาั้ง6จิตทก็เป็นคนดนะูมีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตอีกดวงหนึ่งที่ดับไปสดสดร้อนๆ้อนะนี่หัดรู้หัดดูนะหัดรู้บ่อยๆนี่สภาวะาจะจําสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นรู้ใหม่ๆบางทีมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใครๆเป็นไหมมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร